ก็ยังเป็นโทษด้ยนะถ้าไปกล่าวเรื่องผิดออกไปเนี่ยไอ้คนกล่าวเป็นโทษก็อีกพอกล่าวโทรก็ได้บุญแต่กล่าวผิดเป็นโทษเกิดมาเป็นผู้ฟังนี่ดีกว่าผู้พูดเนะืจริงๆแล้วเดี๋ยวใช่ไม่ใช่ก็ไดกบุญบุญส่งผลแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องมีฐานนี่ดีนะกลุ่มกลุ่มรับบุญทั้งหลายไหมบางทีว่าสิ่งที่ให้ผลเรานั้นบางทีมันมีทั้งบุญและบาปให้ผล จะไปเจอบุญให้ผลก็โอ้โหนะว่ ด, ดีไปเข้าใจถูกไปถาบาปให้ผลขึ้นมาโอโ้ยุ่งเลยต่อไปก็ขึ้นนิทาน น, ากานักถายดังที่ได้กล่าวทีคาคมานิสิตุงเอสิตังเข้าไปคําว่าทีคาคมานิสิตังนั้นพึงทราบรายละเอียดดังนี้ว่าคัมภีทีขณิกายในคัมภีเนี้ยว่าเดวัสมีอยู่สามวัคคือศีลขันธวรคมหาวาัคและก็ปาติกวรคมีอยู่สามเนี่ยในทีขณิกายเนี่ยว่าเดวัคมีอยู่สามวัคทีนี้ ในสามวักนั้นว่าโดยสูตรว่าโดยสูตรมีสามสิบสี่สูตรเนี่ยขยายตรงนี้ก่อนคาว่าทีคณิกายเนี่ยเนี่ยทีค้าเนี่ยก็แปลว่ายาวถ้าทีคณิกายก็คือหมู่ที่อยู่ของพระสูตรที่มีความยาวมีขนาดยาวหนึ่งก็เรียกทีคณิกายนี่เป็นอย่างนี้คำภีมีอะไรมามีห้านิกายยังไม่ทีคณิกายมาชิมนิกา ย, กายสังยุตตะนิกายอังคุตตระนิกายและขรุฑกาณนิกายนี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่าอีกที มีสามสูตรในวัคทั้งหลายเหล่านั้นศีละขันธวัคเป็นวัคต้นในบรรดาสูตรทั้งหลายพรหมชารสูตรก็เป็นสูตรต้นคําว่านิทานมีคําว่าเอวเมสูตังดังนี้เป็นต้นที่ท่านผ้าน น, นกล่าวไว้ในคราวธรรมปฐมสังขยนานั้นเป็นคําเริ่มต้นของพรหมชารสูตรแต่นี้ท่านก็เล่าเรื่องสังขยนาก่อนเรื่องสังคขยาใหญ่ครั้งแรกเนี่ยชื่อว่าปฐมสังขยนาเนี่ยแม้ได้จัดขึ้น พระบาลีไว้ในวินัยปิฎกแล้วก็จริงถึงอย่างนั้นก็ควรจะทราบปฐมสังขยนาแม้ในอัจฉริานี้เพื่อความเป็นผู้ฉลาดในเหตุที่เป็นมาดังต่อไปนี้ท่านก็เล่าบอกอ๋อเนี่ยตอบก่อนที่จะศึกษาสูตรเนี่ยโดยเฉพาะเป็นสูตรแรกในปรมชาลสูตรเป็นต้นเหล่านี้ยควรทราบที่ไปที่มาแห่งการทําปฐมสังขยนาเป็นต้นให้ต้องทราบความเป็นไปเป็นมาพระผู้มีพระภาคผู้เป็นซึ่งเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทรงบำเพ็ญพุทธกิจ เริ่มต้นตั้งแต่ทรงแสดงธรรมจักกับปวัตนาสูตรโปรดปัญญวคีทั้งห้าจนถึงสูตรสุดท้ายที่โปรดสุพัท ธ, ธาปริภาโชคแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุใกล้วันลุ่งใกล้รุ่งวันวิสาขาปุณมีระหว่างต้นสาลัคู่ในสารวัณโนทยานของมันละกษัตริย์เ อ, อพระพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มสูตรแรกท่านก็แสดงธรรมจักกับปวัตนาสูตรใช่ไหมและสูตรสุดท้ายก็คือแสดงโปรด แสดงมรุญองแปดเป็นต้นโปรดสุภัทธะปริภาชกแล้วต่อมาท่านก็เสด็จดับขันธะนิพพานด้วยอนุปาทีเสสานิพานธาตุคือตอนที่ท่านได้ตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นตอนนั้นก็ท่านได้บรรลุนิพพานอันนั้นเขาเรียกว่าสาุปาทิเสสานิพานธาตุตอนนั้นกิเลสของท่านนิพพานเรียกสาวุปาทิเสสานิพานธาตุแต่ขันยังเหลืออยู่ฉะนั้นขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ ของท่านขันห้าของท่านที่เหลืออยู่นั้นเป็นขันห้าที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเจือปนท่านก็ใช้ขันห้าของท่านที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีกิเลสเจือปนจากการได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุิสาณของท่านนั่นเองของพระ อ, องค์นั่นเองประกาศบำเพ็ญพุทธกิจมีปุพเพเหหิปินตาตัาจารพินโตเนึ่งก็คือโปรดโดวยวัตถุประสงค์จริงก็คือโปรดเวนั ย, ยศาสตร์ขนศาตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏ สัตว์ทั้งหลายที่ได้ตั้งอัธยาศัยไว้ในยุคในสมัยของท่านที่จับฟังทำเพื่อจะบรรลุท่านก็เก็บไปหมดบรรลุเรียบร้อยหมดสัตว์ทั้งหลายที่จะมีอัธยาศัยในการที่จะบรรลุในการต่อมาท่านก็วางรากฐานไว้ให้ได้บรรลุการต่อมาสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้บรรลุทักทีด้วนะเพราะที่จะมีอัธยาศัยเรียนเล่นบ้างอะไรต่างๆว่าตามลำดับก็ได้มีอัธยาศัยได้ศึกษาได้เรียนปันๆกันมาจนถึงยุคปัจจุบันนั่นแปลว่าท่านวางรากฐานไว้เบ็ดเสร็จคือเอาไปไม่ไหวจริงๆนะ คือไม่ใช่ว่าท่านไม่ช่วยนะพระพุทธเจ้าช่วยเต็มที่แล้วแต่เราไม่เอาใช่ไหมก็ก็เนี่ยนี่เหลือนี่กลุ่มที่เหลือมาแต่ที้มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็ถามถามถามอาจารย์อีกท่านหนึ่งตัว น, นั้นฟังท่านบัญญาติท่านก็บอกอาจารย์ครับเนี่ยอยากจะทราบคือโยมท่านนี้ท่านเก่งก็ อ, อยากจะทราบว่าเออมีจิตมีความ ความเป็นมาอย่งไรหมายความว่าท่านเป็นมายังไงคิดยังไงแล้วตั้งอัธิยาศัยไว้ยังไงเป็นต้นเนี่ยท่านก็บอโอ้โห و, เรื่องส่วนตัวว่างงั้นเนี่ยท่านก็เลยเล่าอีกบางบอกว่ า, มาผมเป็นคนมีวิบากกรรมมากกว่านั้นเป็นคนมีวิบากกรรมมากโอ้โหไม่ใช่วิเศษวิโสแล่คือคือมีิยมท่านนี้เก่งจริงนะเดี๋ยวตอนนี้ตายไปแล้วอายุแกแกศึกษาคําสอนมาตั้งแต่จําความได้พ อ, อยุติสิบสองปีนี่ขึ้นปาตกถาธรรมความจําเป็นเลิศจริงไม่เคยท่อง จำได้ก็หมดอ่านไม่กี่เที่ยวก็จําได้หมดเก่งเก่งมากๆาที่เขาสงสัยว่าเ อ, อศึกษายัางไงเขาคิดยังไงก็บอกอบถามว่าอบผมไม่เอาแล้วเอบาบยภูมิสีมนุษย์หนึ่งที่เราทำบุญมาทั้งหลายห้าภพนี่ไม่เอาแล้วบอกไม่ไหวทุกข์มากที่ผมตั้งเขาบอกให้ตั้งอธยาศัยไว้นู่นนะตายแล้วขอให้เกิดในชั้นดุ่นเสิ็เป็นธรรมโคสกา ข, ของของพระสียเมตายพอพระสียเมตัยมาตรัสก็ขอ ได้ฟังทำจากท่านแล้วก็บรรลุพอแล้วไม่เอาแล้วกันจะรอไปรอท่านอยู่ตรงรถท่านก็นี่วิธีคิดของคนบางคนที่เขาพยายามศึกษาคําสอนต่างๆไม่เอาอันเข็ดเลยนะเห็นความเป็นไปของมนุษย์ก็ดีของอบัยศัสตร์ก็ดีโอเข็ดเลยแต่จะบรรลุก็ยังไปไม่ได้เงี้ยก็ตั้งอัธยาศัยเขาไว้ได้หรือไม่ได้ก็ว่าไปแต่ว่าตั้งอัธยาศัยนี่ก็ยังมีจุดมุ่งหวังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งตอนนี้นิพพานไปสองนิพพานแล้วการนิพพานของพระเจ้า ม, มี3ประการ ใช่หมหนึ่งสาอุปาทีทิเสสนิพานธาตุนั้นกิเลสนิพานแต่ขันยังเหลือก็ใช้ขันนั้นประกาศพระธรรมคําสอนของพระองค์ไปจนมาถึงที่สารวโนทยานที่ต้นลังคู่ที่เมืองของพวกกลุมมรกษัตริย์เนี่ยที่พระองค์เสด็จดับขันเจ้าบริทิพานอันนั้นเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานธาตุแปลว่าขันท่านนิพานแล้วต่อมาอีก 5,000 ันตีที่จะถึงที่ต้นภาษีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาที่เราไปกันมาเนี่ยที่ตรงนั้นแหละต่อไปเนี่ยเหลืออีกสองพันกว่าปีเนี่ย พระาธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ประดิษฐานอยู่พั่วไปในโลกโลก็จะไปรวมกันเป็นองค์องค์พระเจ้าแล้วก็จะแสดงยมคกราติหารแสดงปฏิหารนั่นเองเหมือนการแสดงเยมคกราติหารเทพเทวดาทั้งหลายก็จะเทพวดาทั้งหลายก็จะมามาม า, มาฟังกันแล้วก็จะมาดูพระรูปของพระเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายพอแสดงพิธีหารเบีดเสร็จแล้วก็เตโชาธาตุก็เผ า, เาก็จะละลายหมดสิ้นไปพุทธศาสนาก็ถึงการว่าอวสานอย่างนั้นเขาเรียกว่าธาตุปริิถน การปรินิพานของพระเจ้าจะมีสามครั้งคือกิเลสนิพานขันธนิพา น, น, า น, พานแล้วก็ธาตุปรินิพานมีปรินิพานไปสองแล้วเรายังไม่ได้ไประโยชน์เลยเหลืออีกปรินิพานเดียวนะี่ทีนี้ก็คือมาและเลือกถึงคําที่หมายความว่าพระมหากระสปะหลังจากที่ปรินิพานพระเจ้าปรินิพานที่กรุงกุศินาราแล้วท่านพระมหากสะศบหรือพระมหากระสปะผู้เป็นสังฆเถระเนี่ย ของภิกษุประมาณเจ็ดแสนรูปที่ประชุมกันในวันพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้อยู่ภาคเจ้านั้นนี่ทําให้เรามองเห็นภาพนะว่าพระพุทธโคาศอาจาร์เนี่ยกล่าวไว้ท่านเกิดใกล้ๆ ใ, ใช่ไหมใกล้ปา ร, ริณิพาน์เนี่ยท่านบอกวันที่พระเจ้าปา ร, ริณิพันธ์นั้นเนี่ยมีภิกษุสงฆ์ไปรวมกันเจ็ดแสนรูปก็ลองคิดดูเจ็ดคนเจ็ดเจ็ดแสนนี่ปแปล ว, ว่าเป็นผ้าลีลาเนาะโดยส่วนมากเป็นผ้าลีลาเนี่ยลองคิดดูคนในยุคนั้นน่าชื่นใจกันนะใช่ไหย แต่ก่อ น, นแปลกใจนะเป็นไปได้ไงไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยนะการที่ว่าพระจะไปรวมกันได้เป็นอะไรเป็นเส้นแ ส, สนรูปเนี่ยแต่พอไปดูพระที่เขารวมๆกันที่สี่หมื่นห้าหมื่นรูปนี่เห็นมาแล้วห้าหกหมื่นรูปเนี่ยเคยเคยไปรวมร่วมกับเขามาแล้วโอ้โหมองไม่เห็นที่สุดลูกหูกลูกตาเลยเคยไปฉันแบบสองหมื่นกว่ารูปเนี่ยเคยไปนั่งฉันมาแล้วสองหมื่นหรือสามหมื่นรูปเนี่ย <S <s โอ้โหมองไม่เห็นเลยไม่รู้องค์ต้นอยู่ตรงไหนเลยได <c oughs> <c oughs> ้ยินแต่เสียง ได้ยินแต่เสียงแล้วก็นึกถึงสมัยของพุทธกาลนั้นเจ็ดแสนรูปนี่เป็นเรื่องเรื่องป ก, ปงปกติในยุคนั้นฉะนั้นตอนนั้นพระมหากระศบเนี่ยเป็นสังฆเทระนเนี่ยนีที่ภิกษุไปประชุมกันในครั้งนั้นเจ็ดแสนรูปที่ประชุมกันในวันแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าท่านก็นมาร ะ, ะลึกถึงคําที่หลวงตาสุภัทก่าวเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปริทิพานใน้เจดวันว่า พอกันที่อาวุโสทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าเศร้าโศกไปเลยอย่าร่ําให้ไปเลยเราทั้งหลายพ้นดีแล้วจากพระสมณะนั้นด้วยว่าพวกเราเนี่ยถูกท่านจู้จี้บังคับว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอทั้งหลายสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอทั้งหลายเป็นต้นแต่บัดนี้พวกเราปรารถนาสิ่งใดจักทําสิ่งนั้นไม่ปรารถนาสิ่งใดจักไม่ทําสิ่งนั้นดังนี้เหมือนลูกหลานเนี่ยนะเคยอยู่กับปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่ป้าเนาะที่ค่อนข้างจะระเบียบนี่นะ พ่อปู่ย่าตายายพ่อแม่ตายไปพบลูกหลานบงคนมันคิดแบบสุภัสธาเนดะี๋ยวคิดแบบลุงตาสุภาานะัสตาเดีวดีแล้วพ้นดีแล้วงนะั้นน่ยนี่ท่านก็บอกพ้นดีแล้วจากพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอยู่ก็จะบอกพูดทุกทีสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอลําบากแต่พอพระเจ้าไม่มี ه, ถ้าพวกเราปรารถนาสิ่งใดจะทําสิ่งนั้นไม่ปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ทํามันน่าสบายใช่ไหมเนี่ยเวลาคนมีกิเลสพูดก็จะพูดลักษณะแบบนี้ นั้นคนมีกิเลสทั้งหลายไม่ชอบระเบียบไม่ชอบกฎไม่ชอบกติกาเพราะมันอึนอดอัดไงคนที่คนที่คนที่มีกิเลสทั้งหลายยังไม่ก็ชอบระเบียบท่านพิจารณาเห็นว่าการประชุมสงฆ์จํานวนมากเช่นนี้ต่อไปจะหาได้ยากก็ดำบลิว่าพวกภิกษุชั่วจะเข้าใจว่าปาพจนมีภาษาสดาล่วงไปแล้วโดยฝ่ายอรชีโดยพวกอรชีอรชีก็จะพากันย่ํำยีพระศิธรให้อันตรธานต่อการไม่นานเลย นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้อย่างแน่นอนว่างั้นคือภิกษุที่ชั่วก็เข้าใจไงภิกษุชั่วภิกษุที่ไม่ประพฤติตามพระธรรมคําำำสอนของพระพุทธเจ้าก็คิดว่าปาพศหมายถึงพระธรรมวินยัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ า, าศาสดาล่วงไปแล้วพระธรรมวินัยก็หมดก็เหมือนกับสุภัทราวุฒาบรนวชิตเนี่ยหลวงตาสุภัทเนี่ยที่เป็นคนกล่าวช่วงจาบว่าเออดีแล้วเป็นต้นเน่ยเพราะคิดว่า ถ้าภาษาสดาล่วงลับไปแล้วเนี่ยคำสอนก็หมดความหมายใช่ไหมเออไปเข้าใจขนาดว่าขนาดพระเจ้าปริลิภานเพียงเจดวันยังมีอรารัชีเกิดขึ้นมาอย่างนี้นั่นในการภายหน้านะเป็นปัญหาแน่นอนก็จะเข้าใจว่าภาษาสดาล่วงไปแล้วเป็นต้นเลรนี่ยเหมือนเหมือนที่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ออกข่าวมาที่ว่ามีพุทธรูปแล้วก็ไปเขียนบอกว่าอย่าไปไหว้มันย่ง <laughs> โอ้โเสียหายมากเนีย่ยพวกนี้ไม่ แล้วก็ไปอ้างมาตนเองน่สอนตามพระไตรปิฎกบ้างอะไรบ้างคนคนไม่ไม่ไม่ไม่อะ ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่เอารูปเคารพและยังไปตำหนิไปดูถูกโอ้โหทั้งนั้นเสียหายหมดเลยเนะี่ยท้งนั้นระดับประเทศชาติก็เสียหายธงชาติเนี่ยไม่มีอะไรเลยผ้าดีๆที่เหลือเอาสีสามสีไปทาก็เคารพกันดีเเกินใช่ไหมไม่ไม่เข้าใจเรื่องเรื่องสัญลักษณ์เนี่ยคนก็ไปปล่อยออกคาวกันเนาะทำให้คนเสียหายกันอเยอะ ทีนี้จะพากันย่ำยีพระสัตยาทำให้อันตรธานต่อการไม่นานเลยดังนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้อย่างแน่นอนจริงอยู่พระทําวินัยดํารงอยู่ตราบใดปราพจน์หมายความว่าหาชื่อว่ามีศาสดาล่วงแล้วไปอยู่ตราบนั้นสมจริงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอา น, นุนทำและ ว, วินัยใดอันเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทำและ ว, วินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วหรือหลังการล่วงใบแห่งเรา พระเจ้าบอกเออพระพุทธเจ้าจะปรินิพานหรือไม่ปรินิพานไปแล้วเนี่ยแต่ศาสดาเนี่ยยังมีนะธรรมวินัยจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายนีพระตรปิฎกเนี่ยพระวินัยยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระพิรามิฎกเนี่ยจับเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้พระเจ้าเนี่ยโดยรูปประคันท่านปรินิพานไปแล้วนะแต่โดยพระธรรมวินัยซึ่งเป็นศาสดาของของพวกเราเนี่ยังอยู่ ฉะนั้นธรรมวินัยยังมีอยู่าศาสดาก็ยังมีอยู่อย่ากอ น, นั้นเลยพระท่านพระหมหากรสกลว่าเราพึงทําสังขยาพระธรรมวินยัยโดยวิธีที่พระาศาสนานี้จะมั่นคงดํารงอยู่ชั่วการนานท่านดำลิเลยมเมื่อดำลิอันหนึ่งท่านก็นมาปารับทังตนเองอันหนึ่งตัวเราพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนกนสบถเธอจกโหมได้หรือซึ่งผ้าป่านบางสกุลที่ใช้ที่ที่ใช้เก่าแล้วแก่เราดังนี้ คือมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออผ้าบางตรกุลซึ่งเป็นผ้าปานที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอยแต่เก่าแล้วเนี่ยถามพระกัสสปาว่าเธอจะห่มได้ไหยในทํานองอย่างนั้นน่ยนะคือจะให้ก็ทรองอนุเคราะห์ด้วยสาธารณาบริโภคในจีวรพระพุทธเจ้าไม่เคยให้ไก่แต่ให้พระมหากรสนั่นเป็นนัยะบ่งบอกอะไรถ้าหากคนมีปัญญาอย่างระดับพระมหากรสหรือพระอรหันต์ในยุคนั้นท่านเข้าใจทันดี ว่าเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าปรลิพนิพานแล้วท่านพวกนี้ยจะเป็นบุคคลที่สําคัญในการที่จะเป็นหัวหน้าในการลุกขึ้นมาร้อยกองว่าธรรมวินยัยทําเป็นหมวดเป็นหมู่เข้าไว้เพื่อความมั่นคงแห่งพระาศาสนาและสถาปนาไว้เสมอกับพระองค์โดยธรรมอันยิ่งของมนุษย์ต่างกันด้วยอนุปพาวิหารและพิญญาหกเป็นต้นคือพวกสมาบัติทั้งหลายพระเจ้าเคยกย่องคือพระจิตเจ้ายกย่องดูกรพลิกษุทั้งหลายเราต้องการสงัด จากกามทั้งหลายสงอาจจกอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอยู่เพียงใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมกะสปะก็สงอาจจักามสงังอาจจกอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอยู่เพียงนั้นคือผู้ยกย่องเลยยกย่องเลยถ้าจะส ง, ะาสงะอาจจักรามสงอาจจกอกุศลธรรมทั้งหลายในการที่เข้าปฐมฌานเนี่ยได้รวดเร็วได้อยู่อย่างไรเนี่ยท่านกับมหากรสมเนี่ยก็เ like ข้าได้เหมือนเราทําได้อย่างเราอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ใช่เท่ากันนะแต่ว่าทำได้ค่อนข้าง คือยกย่องในด้านของสมาบัติแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็สรรเสริญด้วยความเป็นผู้มีจิตใจไม่ติดอยู่ในตระกูลเหมือนสั่นมือในอากาศด้วยการปฏิด้วยด้วยด้วยปฏิปทาเปรียบด้วยพระจันทร์ด้วยการอนุเคราะห์และการสรรเสริญอันเป็นประหนึ่งนี้ของเราก็หมายความว่าท่านพระมหากรสไม่ติดในตระกูลสังเกตดูทีไม่ว่าจะตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ตระกูลขกบดีมหาสารตระกูลยาจกวะไรี่พวกต่างๆ่างเหล่านี้ท่านพระมหากรสไม่ติด ไม่ติดในตระกูลเหล่านั้นแต่พระองค์เอ๋ท่านเคยอนุเคราะห์เนี่ยพระมหากระสอบเนี่ยแม้จะว่าแต่มนุษย์นี่ยที่อยากจะทําบุญกับท่านเนี่ยหาตัวท่านยากคนมีบุญไอ้คนมีสมาบัติระดับอย่างนี้ถ้าไปปลดใครคนนั้นได้บุญทันทีเลยนะงั้นอยู่ในสมาบัติตลอดใช่ไหมออกจากสมาบัติก็ไปพิก ข, ขาจาย์ใครได้ใส่อาหารเย่ท่านอย่างนั้นโอ้โหบุญบังจริงคนที่อยู่กับสมาบัติคุณธรรมระดับสูงๆอย่งนั้นเนี่ยมีผู้เจ้าเป็นต้นเหรอเนี่ย พระเราอื่นแล้วพระในสมัยก่อนเนี่ยใครยัก็อยากปรารถนาทําบุญเพราะเลยทำแล้วผลมันตายอย่างนี้ยุคนี้เรามีดีแห่ไปทํากันเลยใช่ไหมจช่ยุคนี้บุญน้อยหาหาคนโทมาบัตร ส, สูงๆไม่มีก็ขนาดท่านเคยปลารบที่ว่าจะไปเออจะปลารบไอยาจกมช่ไคนจนเนี่ยนก็นไปที่จะไปอู้เห็นคนแก่สองหัวเมียก็ไปเลยพอไประหว่างทางพระอินมาดักทางแล้ว ทำเป็นกระต๊อบทำเป็นอะไรต่างๆพร้อมด้ยวยพลายาักษ์ตนเองใช่ไหมมาเปเสร็จเนี่ยตอนนั้นท่านลืมมานสิการคือท่านลืมใช้อภิญญาคิดเนี่ยถ้าท่านคิดอภิญญาปุ๊บเนี่ยท่านจะรู้เลยแต่พอเอาข้าวใส่ลงไปในบาตพวกพอกลิ่นข้าวแต่ถึงจมูกอเออนี่มหาวพิษมาแย่งบุญญาจบคนดําหลีทันทีเลย ลอยขึ้นนะกราบเท้าพระแล้วลอยขึ้นมโม้พระเช่นท่านใครเล่าไม่อยากทําบุญเรียบร้อยแล้วได้ไปแล้วคือการตําหนิของท่านเนี่ยเป็นการตําหนิแบบเชิงให้คิดแค่นั้ น, นแต่บุญได้ไปแล้วแต่เทวดาก็าบอกโอ้ยพระแบบท่านใครเล่าไม่อยากทําบุญเรียบร้อยแล้วก็บุญทันตาเห็นดันดีกิจอื่นนอกจากการสังเคราะนาที่จะให้เราพ้นสภาพนี่จักมีอะไรบ้างคือท่า น, านก็มาดตำหนิบอกว่าโอ้นี่เป็นนี่พระผู้มีอภาร เป็นหนี้ครั้งหนึ่งคือให้ยีวอนเปลี่ยนทรงเปลี่ยนยีวอนกับกับท่านเป็นหนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็หลายๆครั้งก็คือพระองค์นั้นทรงยกย่องท่านพระมหากระสบเนี่ยเทียบสมมาบัติสามารถมีสมมาบัติเหมือนกับพระพุทธเจ้าหมายคําว่าเออเข้าได้อย่างพระพุทธเจ้าแต่ว่ามากน้อยก็ต่าง ก, กันคือการยกย่องตรงเนี้ยท่านถือว่าเป็นหนี้เป็นหนี้ตรงนี้น่าคิดมากเลยแค่สังเกตุยอย่างระดับภาษาลิบุตรนี่ที่ลาท่าพาม เคยใส่ข้าวให้หนึ่งทัพพีท่านคิดเป็นบุญคุณตลอดเลยนะต่อมาท่านก็เปื้องหนี้ให้ด้วยการให้บวชนี่ยแม้ถ้ามาคิดถึงกลุ่มเราทั้งหลายคนที่เคยช่วยเรามาอะไรต่างๆวันนี้ต้องมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้นหรือเพือ่อนฝูงเป็นต้นนั่นะเขาให้ตอกเส้นหนึ่งเข็มเล่มหนึ่งก็ถือเป็นหนี้เลยเนี่ยที่เราจะลืมถึงบุญคุณท่านผู้นั้นไม่ได้องั่นก็ไปคิดไปตรึกไปไข่ควรคิดถึงคุณก็ยากแล้วตอบแทนคนยิ่งยากกว่า คนที่จะคิดถึงคุณก็ยากที่จะคิดละเอียดแล้วอ๋อยจริงๆอะยิง่งยากมั้ยยิ่งตอบแทนคนุณเนี่ยยากยิ่งกว่านั้นอีกท่านว่าเงินอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบุญกุศลที่ทําให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราควรกัตันยูมั้ยกวรใช่ไหมควรกตันญูบุญกุศลโดยการทําบุญเพิ่มอะโดยการนี่โอ้เนี่ยถ้าเราไม่ตอบแทนบุญเนี่ยถือว่าคนอากาตันยูเหมือนกันเนียเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีแล้วไม่ได้เจริญบุญให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยท่านก็ถือว่า พระผู้มีพระภาคทรงทราบซึ่งเราไม่ใช่หรือว่ากระสบะนี้จกเป็นผู้ประฏิสฐานวงของพระสัตธรรมของเราก็คือว่าโอ้จะปะดิสฐานวงของพระปริยสัตธรรมปฏิบัติสัตธรรมและปฏิเวทสัตธรรมปฏิบัติสัตธรรมและปฏิเวทสัตธรรมนั้นน่ะท่านพระมหากสศรรนีปฏิสฐานไว้อยู่แล้วโดยการปฏิบัติและบระรลุอธิคมคือมาขุนนิพพานปฏิเวทสัตธรรมนั้นก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคือแทงตลอด ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาท่านกร็ทำแทงตลอดปริเวธัสัตธรรมคือมรรคผลนิพพานท่านได้แต่จะประฏิสถานปริยัติสัตธรรมเนี่ยคือคําสอนของพระองค์ให้มั่นคงเนี่ยยังไม่ได้ทำนั้นท่านก็ปารบทันทีเลยวะเนี่ยจะเป็นผู้ประดิสถานวงพระสัตธรรมของพรพุทธเจ้าและทรงอนุเคราะห์ด้วยความอนุเคราะห์ อ, อันไม่ทั่วไปและทรงสรรเสริญด้วยการสรรเสริญอันยอดเยี่ยมนี้ เหมือนพระราชาทรงทราบ พ, พระราชาโอรสผู้จะบดีสถานตระกูลของพระ อ, องค์แล้วก็นุเคราะห์ด้วยการมอบเกราะและอิสริยยศของพระ อ, องค์ฉะนั้นดังนั้นเน่ยยังความอุตสาหายเกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อสังขยนาพระธรรมวินัยก็เหมือนไอพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะเวลาจะทรงสละราชบัลลังก์แล้วก็จะเริ่มวางแผนว่าจะให้ใครสืบทอดในการที่จะ สืบทอดพระราชะอำนาจเป็นต้นเหล่านะี้แต่ไม่ใช่อย่างทางโลกนะถ้าทางโลกอย่างที่การแย่งชิงกันถ้าเราศึกษาอย่างประวัติศาสตร์ในตอนสมัยกรุงศรีอยุธยาโอ้แย่งชิงกันอ่านสมาัยก่อนเวลาศึกษาอย่างนี้สนุกสนานโอ้ยแย่งริงแต่ว่าอันนี้มาดูโอ้ไม่ใช่ไง น, นี้ในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าพระเจ้านั้นมีการ ทรงแลกเปลี่ยนจีวรเป็นต้นสังขติเป็นต้นกับพระมหากสบแล้วก็ทรงประกาศคุณธรรมของมหากสบนั้นเป็นผู้ที่เสมอเหมือนเป็นต้นเหล่านี้นะก็เหมือนกับการจะบอกให้กับภิกษุให้รู้ว่าเออเมื่อพระผู้มีพระเจ้าปรินิพพานแล้วท่านผู้นี้จักเป็นผู้เป็นหัวหน้าในการที่จะรวบรวมพระธรรมวินัยก็ย่างความอุตสาห์หายเกิกดขึ้นแก่พุทธสูตทั้งหลายเพื่อสังคขยาพระธรรมวินัยสมดังที่พระสังขีกาจารณ์ กล่าวไว้ในสุพัทธกันบอกว่าครั้งนั้นแล่ท่านพระหมหากระสอบแจ้งให้ภิกษุทสงฆ์ทั้งหลายทราบว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราเดินทางไกลจากเมืองปาวาสู่เมืองกุสินารานะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์อยู่ประมาณ500ร้อูปเป็นต้นสุพัทธกันทั้งหมดบัณฑิตทั้งหลายก็ทราบโดยพิศดารแล้วก็เลยเล่าคือท่านตรงนี้ท่านยกเอย่างมาบอกว่าคือท่านพระหมหากสอบเล่าก่อนที่จะปาลบในการทําปฐมสังขายนาไง บอกว่าที่มีเดินทางมาถึงปาวานนครแล้วตอนนั้นนะ่ะทราบข่าวว่าพุทธเจ้าปรินิพานแล้วจากไอ์มานพท่านหนึ่งถือดอกมุนทาลบไปเนี่ยแล้วก็มาแจ้งข่าวแจ้งข่าวบอกว่าเออตอนนี้พุทธเจ้าปรินิพานแล้วได้เจดวันพระที่เป็นจุรุชนอยู่ยังละราค า, าโทสะโมหะได้ไม่มากที่เป็นป้าญาบุคคลเบื้องต่ำอยู่ก็พากันร้อ ง, ห, องห้ามร้องไห้เป็นต้นเหล่านี้มีพระอยู่รูปเดียวที่ดีใจก็คือสุภาธะวุธาบัณฑชิตนี่แหละ ที่บอกโอ้ยจะมาร้องโหมร้องไห้ทําไมเนี่นดีแล้วต่อไปก็ไม่มีคนมาคอยว่าว่าคอยกล่าวว่านี้ควรแก่เธอนี้มีควรแก่เธอเป็นต้นต่อไปถ้าเราจะปรารถนาจะทําอะไรก็ทําได้ไม่ปรารถนาก็ไม่ทําเป็นต้นเหล่านี้พอฟังท่านงเงียบแต่ท่านคิดในใจแล้วคิดในใจก็คือว่าขนาดพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธบริยทิพานเพียงเจ็ดวันอรชีพิ ก, กุนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ต่อจากนั้นท่านมหกรรสวก็กล่าวว่ากาสปากล่าวว่าเอาเถิดท่านภู้มีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายจักสังคายนาพระธรรมวินัยต่อไปในเบื้องหน้า ต, ต่อไปในเบื้องหน้าเนี่ยอาธรรมจะรุ่งเรืองถ้าไม่ทำํำนะถ้าไม่ทําสังกายคายนาเนี่ยอาธรรมจะรุ่งเรืองธรรมวินัยจะร่วงโรยต่อไปข้างหน้าอาวิอวินัยรุ่งเรืองวินัยก็จะร่วงโรยอาวินัยก็ไม่ใช่วินัยต่อไปในภายหน้าอาธรรมมาวารีก็มีกำลังธรรมวารีก็อ่อนกําลังคนที่เป็นอาธรรมมาวารีเนี่ยคนก็จะยกย่องเสริเสริญใช่ไหมถ้าไม่มีธรรมวินยัยมีพระไตร มีพระไตรปิฎกไว้เป็นแกนกลางบอกว่าใครพูดผิดพูดถูกแน่นอนเอาในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่รู้พระไตรปิฎก น, น้อยๆเนี่ยลองคิดดูทีตรงทุกคนที่กล่าวเป็นธรรมวาทีหรือเป็นอาธรรมวาทีอธรรมวาทีที่กล่าวที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยก็ไปบอกว่าเป็นธรรมเป็นวินยัยเออมันยังมีกล่าวอยู่ตอนหนึ่งนะว่าเออภิกษุในสมัยหลังๆต่อไปเนี่ยเขาทํานายไว้ว่าพระที่เป็นเจ้าบทเจ้ากรณกล่าวทุพภาษิตเอาภาษิตของบุคคลอื่นมากล่าวอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะได้รับการชื่นชมมาก นรื่องจริงนะให้สังเกตดูนะคนที่เอาบทกรของใครก็ไม่รู้มากล่าวว่าพากันชอบบอกชอบใจแล้วดังนี่จะเป็นอย่างนั้นมีมีมี ม, ม, มีมีอยู่ลายหนึ่งก็ติดต่อก็อบอกเออท่านอาจารย์นี่ลองไปไปไ ป, ไปออกโทรทัศน์ที่เขาว่างั้นก็จะมาให้บอกมอกว่า ไ, ไม่เอาแมวเด็ดขาดไม่เอาแมวบอกอดไม่ได้อาจารย์พูดไปเหมือนคนอื่นเขาใช่ไหมคนละเรื่องเลยไปพูดเ ด, เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราล่ำขาเนี่พระอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้ พูดปัจจุบันกับเขาก็พูดยากเขาอยู่เดี๋ยวาไปสร้างศัตรูลําบากอยู่เงี้ดีแล้วอะรำอวาทีมีกําลังท ร, รมวาทีก็อ่อนกําลังต่อไปในเบื้องหน้าอะวิในวาทีมีกําลังวิในวาทีอ่อนกําลังก็คือคนกล่าววิัยจริงๆอะไม่มีกําลังเราเสินคนกล่าวสิ่งที่ไม่ใช่วิในโอจเจริญลุ่งเลืองมากอันนี้ไม่ใช่เบื้องหน้าแล้วเบื้องปัจจุบันนี่แหละข้าแต่ท่านผู้จเจริญท่าเช่นนั้นขอพระเถระโปรดเลือกภิกษุทั้งหลายเถิด ฝ่ายพระเถระเว้นภิกษุปุรุชนคือพระเว้นปุดุชนท่านพ ร, พระก็บอกว่าถ้างั้นขอให้ท่านคัดเลือกจากพระเจ็ดแสนรูปเนี่ยใช่ไหมคัดเอาห้าร้อยอ่ะท่านก็คัดเลยโอ้ท่านคัดเนี่ยท่านมองท่านรู้ใช่ไหมใช่เนี่ยคนที่เป็นระดับพระมหากรสบที่มีฌานปิญญาบรรลุ สมาธิระดับสูงและเป็นพระอรหันต์ระดับสูงด้วยท่านก็เอ้ยปุตุชนคัดออกไปพระโสะดาบันคัดออกพระสะกัฎาคาคัดออกพระนาคาก็คัดออกแล้วพระอรหันต์ด้วยนะที่เป็นสุขาวิปัสะโกสุขาวิปัสสกาผู้เจริญวิปัสะนาล้วนๆมาเนี่ยผู้ทรงปริยัติเนี่ยรวังขัตาสตร์ทั้งสิน้นเป็นจํานวนหลายร้อยหลายพันรูปเลือกเอาเฉพาะคัดออกหมดนะเลือกเอาเฉพาะภิกษุที่เป็นเตวิชาคือได้วิชาสามอภิญญาหก ใช่ไหมปฏิสัมพิทาสี่คือบรรลุวิชาสามที่บทปรเพณิวาสานุสติยานจุตูป ป, ปาญานอาสวะขยายานแล้วก็อภิญญาหกที่ปจักขู่อภิญญาที่ประสตาเป็นต้อนเหล่านี้อิทธิวิทัแสดงฤทดดนะ ธ, ธ, ธ, ธ, ธิ์ได้เป็นต้นเนี่ยนะเอาอภิญญาหกแล้วก็ไปปฏิสัมพิทาสอัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมะปฏิสัมพิทา n i ุต t i ปฏิภาณหน้าปฏิสัมพิทาเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ทรงบริยัติไปเนะแตกฉานใน วิชาสามพิญญาหกปฏิสมิทาสีแล้วยังไม่พอทรงบริยัติด้วยคือจบคําสอนของพระเจ้าทั้งหมดคือจบพรุตรีบิดกทั้งพระวินัยบิดกพระสุตตันตบิดดกพระพิธรรมบิด ก, ดกแล้วก็มีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่โดยมากพระผู้มีภาคเจ้าทรงยกย่องเป็นเอเตทัคะที่พระสังติกาจารย์กล่าวไวน้นี้ไว้ว่าครั้งนั้นแลท่านพระมหากคสปะเลือกผ้าละหันห้าร้อยหย่อนหนึ่งก็คือเลือกไวก้499รลูกหย่อนไว้อง ค, คือคัดคัด เดี๋ยวนั้นเราได้เลยคัดคัดคัดออกมาเลยออืระดับทำปฐมสังขยาในคัดได้ง่ายๆเลยในยุคนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปจะคัดคนดีในโรงเรียนดีๆทั้งหลายเหล่านี้คัดอาคนมีสติปัญญามากเนี่ยง่ายมากเพราะใครก็ไหลเข้าไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วทะนั้นในยุก่อนเนี่ยผ้าหลานระดับอย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยทําบุญกันนี่ยยิ้มเลยนะยิ้มคัดผ้าได้กันอย่างสบายๆเลยอดี๋ยนี่ลองไปในวาดหนึ่งเราไปคัดดูขอผ้าหลานสักรูป มุดหนีหมดเลยไม่มีใครกล้าโผล่หน้ามาเลยบอกยมวัตนี้ไม่มีบาราเลยถามว่าเพราะเหตุไรพระมหากัะสปะจึงหย่อนไว้องค์ตอบว่าเพื่อให้โอกาสแก่ท่านพระนนทเจอแล้เพราะทั้งรูปถ้าร่วมกับพระนนท่านพระนนถ้าเว้นท่านพระนนเสียไม่อาจจะทําสังขยาทํำวินัยได้เพราะพระนนนี่เป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระรทำคําสอนของพระเจ้าที่ไปตรัสไว้ที่ไหนพระนนขอพรไว้ข้อง ข้าแต่เพราะก่อนที่จะมาอุปถักก์เนี่ยาแต่พระองค์ูเจริญเนี่ยถ้าจะข้าพระองค์จะเอขอพรถ้าถ้าข้าพระองค์จะต้องมาอุปถากต์พระผู้มีพระภาคเลยยี่สิบยี่้าปีในอุปถากพระพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าไปแสดงทำหน้าที่ไหนที่ข้าพระองค์ไม่ได้ตามไปด้วยกลับมาก่อนพระองค์กลับมาเทศแสดงบอกงั้นคือคือพระนอนเก็บไว้เรียบร้อยหมดพระเจ้าไปแสดงหน้าที่ไหนกลับมาพระเจ้าต้องมาแสดงให้พระนอนฟังงานงานเยอะจริงนะพระพุทธเจ้าเนี่ย ที่เพราะว่าเรายุ่งเรายุ่งนี่ไม่สู้ไม่ไหวพระเจ้าเนี่ยไม่มีเวลาไหนเลยที่ไม่ไม่ไม่ทํางานไม่มีเลยเกิดมาใช้ชีวิตค้มทุกลมหายใจเข้าออกอย่างเราทั้งหลายยังปล่อยป่าละเลยซะเยอะเลยยัไม่ชีวิตนะบางทีวันวนหนึ่งจะทําอะไรได้ตั้งเยอะงที่ไม่ทําำนะปล่อยปล่อยไปไม่ไม่ไม่ไม่ค้มใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยค้มปล่อยวันเวลาเนี่ยนะปล่อย บางทีนั่งขอ nang เพลินเพิั้นหน่อยก็ปล่อยกิเลสกินใจไปนั่นแหละบางทีปล่อยได้ตั้งนานดีนั่งรถในแทนที่จะตรึกรู้สึกตรึ ก, รกคสอนสนสาธยายคําสอนแะไรต่างกได้นั่งดูแล้วเพลิน เ, นเนปล่อยกิเลสกินใจไปแล้วมันมันมันเคยแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันสบายใจอะ่ะที่จริงกิเลสมันสบายใจไงมันถ้าถ้าถูกสกัดเนี่ยมันทุกกิเลสนี่อึอดอัดนี่เราถูกกิเลสควบคุมใจมานานอุย้ยอะไรจะทําอะไรถึงขนาดนั้นก็จะคิดอย่างนี้ เหมือนบอกยมพ่อใหม่อู้หิงก็ตายแล้วบอกใหม่ใหแกบอกวไม่ไหวแล้วใครจะไปคิดได้ขนาดนั้นก็ว่างี้ยเขาก็โอเก็คิดตามภาษาเขามันลาบากเขกไม่ไปกันยาเกินก็เอ๊แต่ถ้าหากไปนั่งกับแกนะให้แกคุยเรื่องอื่นให้ฟังเนีะลองไว้นั่งดูเนะสามชั่วโมงแกเล่าได้ตลอดแกเล่าเดี๋ยวก็เล่าเรื่องโลกคนนั้นเป็นอย่างนั้นนะก็เล่าแล้วก็ปั้ม เออแกมีกลกับกมีความสุขแกเนีได้เล่าได้ว่าคนนั้นบ้างได้บ่นคนนี้บ้างเลยบ้างบางทีเ อ, อ๊ชีวิตแกอยู่แค่นี้เองเนี่ยเราก็นั่งคิดติดนั่งกันดูดูแกบ้างย่มแม่กินหมากย่อพ่อกันนั่งคุยนั่งกันคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยเราก็่งนั่งดูดูไปโอ้แกมีแกมีแกคิดของแกแบบนี้มานานทีนี้พอเราสอนแนะให้ให้ท่านคิดอีกอย่างนี้ท่านอออึดอัดท่านอึดอัดแต่ถ้าหากว่าไปพูดในเรื่องนี้ท่านสามารถพูดได้ทั้งวนัน เออแล้วแต่บุญที่ท่านชอบที่สุดคืออะไรไหมชอบช่วยคนอื่นเวลที่อื่นก็มีงานมีการมีใครมาบอกโอ้โหเตรียมจดวันที่ไว้ต้องไปจดจะชอบมากถ้าเขายิ่งมีคนใช้แกก็ยิ่งชอบเนี่ยงานศพงานบวชงานแต่งงานอะไรต่างถ้าเขาไปแล้วลถือเป็นกิจสาคัญเลยปิดบ้านปิดช่องไปทั้งวันไปดูไปแล้วแกชอบงานสาสนะแบบนี้ แต่จะาอให้แกฟังธรรมะเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเหล่าเนี้ยแม่แกจะฟังได้เป็นระยะระยะแกบอกโอ้โหทั้งวันไม่ไหวแกบอกแกบอกไม่ไหวแต่ทั้งวันนั้ไม่ไหวอันนี้พระ อ, อนุนท่านเออท่านต น, นเตรียมให้กับพระ อ, อ น, นุนด้วยว่าท่านพระ อ, อ น, นุนนั้นเป็นพระเสขะยังมีกิจที่จะต้องทําคือตอนนั้นท่านเป็นพระโสดาบันฉะนั้นจึงไม่อาจจะร่วมได้แต่เพราะ นวังฆ่าสัตุูศาสตร์มีสุตตะเคยยา่าเวยากรณนะคือพระไตรปิฎกทั้งหมดน่ะนะข้อใดข้อหนึ่งซึ่งพระทศพลทรงสแสดงไว้ที่ชื่อว่าจะไม่ประจกรักษ์ชัดแก่ท่านพระน น, นนั้นไม่มีเลยดำคาถาพันที่ท่านกล่าวไว้ทำเหล่าใดเป็นไปแก่ข้าพเจ้าทำเหล่านั้นข้าพเจ้ารับมาจากพระพุทธเจ้า8ปดหมสองพรับจากภิกษุสองพรวมเป็น 84% 00มพันพระธรรมกันเพราะฉะนั้นถ้าเว้นพระนนเสียก็ไม่อาจจะทําได้สรุปแล้วคืออะไร ท่านพานน์นเนี่ยตอนสมัยต้นๆ น, นั้นไม่ได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าใช่ไหมตอนนั้นก็ไม่ได้รับไมไ่รับคําสอนตรงนั้นละเอียดละอ่อนั้นท่านพานน์นบอกว่าท่านรับจากพระพุทธเจ้านั้นแปดหมื 2, ่นสองพันว่าธรรมะขันไอสองพันว่าธรรมะขันนั้นท่านรับจากภิกษุอื่นโดยส่วนมากจะรับจากภาษาลิบุตรใช่ไหมจะรับจากภาษาริบุตรประมาณสองพันแล้วภิกษุอื่นด้วยประมาณสองพันประมาณพันกว่าถึงสองพัน จากพระพุทธเจ้าโดยตรงมแปดหมื่นสองพันพระธรรมขันธ์รวมไปแปดหมื่นสองพั น, พนเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเว้นผ่านนนเสียเนี่ยสังขยา ท, ทาไม่ได้คือความละเอียดละอออยู่กับท่านผู้นี้หมดเลยท่านเป็นเหมือนกับว่าคันดาภาริกะนั่นเองนะเป็นเป็นประดุล ด, ดังเรือนคลังอ่ะประดุล ด, ดังเรือนคลังที่เก็บทรัพย์ของพระพุทธเจ้าพรานนนนี่เป็นที่เก็บทรัพย์เลยเป็นเรือนคลังเป็นเรือนคลัง อริยทัพย์ของผู้เจ้าที่ไปกล่าวไว้ที่ไหนที่ไหนที่ไหนทั้งหมดเนี่ยเอามาไว้ที่เรือนครั้งนี้หมดถามว่าถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นแม้พระอนนท์จะยังเป็นพระเสขาอยู่พระเถระก็ควรจะเลือกไม่ใช่หรือเพราะเป็นผู้มีอุปการะในการทําปฐมสังคารนาทําไมจึงไม่เลือกท่านก็แก่บอกว่าเพราะจะหลีกเลี่ยงคําตีเตียนของบุคคลอื่นคือความจริงพระเถระเป็นผู้คุ้นเคยกับพระอนนท์อย่างยิ่งนะจริงอย่างนั้นนะพระอนนท์นั้นนี่ย ศีรษะงอกคือแก่แล้วแก่ผมงอกแล้วนี่นะพระมหากระสปะก็จึงเรียกว่าเ อ, อเด็กเจว่าบ้านโนนโนเรียกเด็กได้ไปบยคว่าเด็กคนนี้ไม่รู้จักประมาณที่พูดอย่างนี้เลยนะนั้นพระมหากระสอบเนี่งที่ท่านเป็นคนพูดอะไร ต, งตรงๆเด็กคนนี้ไม่รู้จักประมาณก็แปลว่าไม่พระนนท์เนี่ยยังเป็นพระเศขะอยู่ยังเป็นเด็กอยู่อะในในสำนวนพราอรหันตินี่นะก็เหมือนกับตอนที่ลูกสาวของ อนาถาพินิกาเศรษฐีคืออนาถาพินิกาเศรษฐีเนี่ยเป็นพระโสดาบันส่วนลูกสาวเป็นภระสกาทาคาตอนนั้นอาจจะตายลูกสาวตายก่อนใช่ไหมเป็นพระสกาทาคาพอใกล้จะตายแล้วเนี่ย เ, เศรษฐีก็ไปเฝ้าเออไม่ใช่เข้าเข้าไปหาเข้าไปดูแลถามลูกเออเป็นยังไงบอกก็เจ็บมากบอกแคก็ดําหลีดำหลี่เออพ่อเราเนี่ยเอาเยเราอยากจะสอนพ่อหน่อยเขมาบอกลูกเป็นยังไงบ้าง อ๋อไม่เป็นอะไรมากหรอกน้องชายโหคนใกล้าตายร้องไห้เลยอะเศรษฐีอก็ลูกเรียกตัวเองว่าน้องชายเดี๋ยวก็เออพราะยิ่งใกล้จะตายบอกว่า เ, เดี๋ยว อ, อบอกน้องชายพี่เดี๋ยวพี่ลาก่อนนะเนี่ยเวทํานองเนี้ยกลับมาร้องไห้ไปเป้าพุทเจ้าบอกสงสัยไปไม่ดีแน่คือใกล้าตายเพอ้อเรียกข้าพระองค์ว่าเป็นน้องอ่ะเจ้าถึงบอกอ๋อโดยคุณธรรม โดยคุณธรรมเนี่ยปนาถาพินที่กับเศรษฐีเนี่ยเป็นเหมือนน้องเป็นน้องจริงๆเนี่ยเป็นพระสงฆ์หนาบันข้าพสการตาคารแม่ก็ถ้าโดยโดยสามัญสํานึกของความเป็นพ่อต้องสําคัญอย่างนั้นจริงๆเนี่ว่าลูกเพี้ยนล้ะเอ้ยอยู่ๆก็เรียกเราน้องชายน้องชายอยู่ใกล้จะตายใช่ไหมใช่ก็ได้ํานองอย่างนี้กันพระมหากระสมบอกวเด็กเด็กผู้นี้ไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักประมาณตอนที่ว่าตอนที่ว่ า, ต อ, วาตอนที่พระมหากระสมไปแสดงทำโปรดภิกษุณีอ่ะ เออให้ภิกษุณีฟังมีภิกษุณีนึงฟังฟังแล้วก็รู้สึกไม่ไม่ถูกใจท่านพระหัะสดพูดช้าพูดช้าไม่เหมือนพระอนุอนพูดคล่องแคล่วอะไรเนี่ยนะก็ก็ตําหนิพอตําหนิมาก็พระมหาัสดศต้องการอยากให้รู้บอกว่าพูดถึงว่าเออเด็กคนนี้มีมีรู้จักประมาณแล้วก็พูดในํานองว่าอา น, นุ์ระหว่ังเธอกับเราเนี่ยว่าเออใครใครใครเป็นผู้ที่ควร กราบไหวมากกว่ากัน น, นี้ท่านน้องท่านพระนนต้องคุกเข่าผมผ้าเฉวงขอขอโทษขอโทษแม่แล้วภิกษุณีที่ตําหนีพระพร์กระสอบนี่ละอันตรธานเลยเนี่ยเปลี่ยนเพศเป็นฆราวาสเดี๋ยวนั้นเลยคุณธรรมยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเนี่ยเหมือนกับที่ว่าภิกษุพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพระเจ้าบวชให้กับใครเนี่ยเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทามันเรากล่าวมาดีแล้วเธอจงบวชพลเมจมโดยชอบเถิดเนี่ยเปลี่ยน จากที่มีชุดคารวาสมีอะไรต่างผมเป็นคารวาสเนี่ยเปลี่ยนฟุ้บเดือนนั้นนี่นี่คือความวิเศษจันมากแต่ต้องคนมีบุญนะถ้าคนไม่มีบุญต้องวิ่งหาผ้าเองนะที่เป็นอย่างนั้นเพราะบุญพระเจ้าช่วยส่วนหนึ่งแต่บุญของตัวเองส่วนหนึ่งบุญของพระเจ้าก็คือพูดให้เป็นภิกษุมาเถอดพระเจ้าพูดคําไหนคํานั้นไงทามาแล้วกล่าวดีแล้วเธอจงบูรพมัญจะเดือดเนี่ยพูดแค่นี้ยร่างอันตรคารเปลี่ยนแต่ถ้าหากคนไม่มีบุญพระเจ้าไม่พูดหรอก บอกให้ไปหาจีวรเองคือไม่ได้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาเลยอย่างท่านพระภายยะทารุจริยะเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาก็ไปโดนวัวฝิตตายาพระภิกษุกลับจากบิณฑบาตก็ให้เอาอัฐิของท่านไปจัดแจงเรื่องศพเอาอัฐิของท่านไปทำเป็นที่บูชาสกาละาเป็นคารวะแล้วปรินิพานเลยตายแล้วปรินิพานเลยนั้นอยู่อยู่ที่บุญแต่ละบุคคล ในประโยคว่าเด็กคนนี้ไม่รู้จักประมาณอันหนึ่งท่านบ้านนนท์เกิดในตระกูลสักยะซึ่งเป็นอนุชาตผ้าอนุชาของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโอรสเป็นพระโอรสของพระเจ้าอาในการคัดเลือกผ้านนอนนท์นั้นภิกษุบางพวกก็จะเข้าใจดูเหมือนว่าจะลําเอียงว่ารักใครเป็นต้นเหล่านี้ก็จะพากันตีเตียนท่านพระมหากระสนเถระมองข้ามภิกษุผู้ได้บรรลุปฏิสัมพิทาอาศขาเป็นจํานวนมากแล้วมาเลือกผ้านนอนนท์ที่บรรลุปฏิสัมพิทาเพียงแค่เศขาเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงคำตีเตียน พระมหากษัตริยก็เลยไม่เลือกผ้าอ น, นุลโดยพิจารณาบอกว่าเว้นบ้าอนุลเสียไม่อาจาทําสังฆทานพระธรรมวินัยได้เราจะรับผ้าอ น, นุลนั้นโดยอนุมัติของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นลําดับนั้นนะ่ะภิกษุทั้งหลายก็พากันขอร้องให้พระมหากัตริย์เนี่ยนะเลือกเลือกผ้าอ น, นุลเสียคือก็เลยโอ้พระมหากสั์ไม่เลือกไงเพราะไม่เพื่อต้องการป้องกันคำข้อลห้าพระอรหันเนี่ยท่านคิดอะไรค่อนข้างรอบครอบมากนะ เกอให้สังเกตดูคนบางคนเกิดมาในโลกใบนี้เป็นคนค่อนข้างรอบคอบจะทําอะไรก็ต้องดูท่าดูทางพิจารณาส่วนดีส่วนเสียอะไรต่างๆท่านพระมหากระสับท่านเป็นคนมีปัญญามากท่านพิจารณาสมดังคําที่พระสังฆคีติกาจาร์กล่าวไว้ว่าภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับท่านพระมหากระสปะว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านผ้าอนนี้แม้จะยังเป็นพระเสขะอยู่ก็จริงแต่ไม่ถึงอคติพอลักษ์พาะชังพราะกลัวและพ่อหลงฉั้นถ้าเลือกผ้าอนนี่ไม่จ่ายต้องมีอคตินะ ลำเอียงเพราะรักไครลําเอียงเพราะชังลําเอียงเพราะกลัวลําเอียงเพราะหลงเนี่ยถ้าผู้ดูชนทั่วไปมีแน่นอนใช่ไหมอคติธรรมเหล่าเนี้ยให้สังเกตดูทีถามว่าอย่างเรามีอคติไหมไหมบางีเรากำลำเอียงเพราะคนนี้เรารักเนี่ยอย่างนี้ลำเอียงเพราะชังเพราะกลัวเพราะหลงด้วยว่าท่านพระนนนั้นได้เล่าเรียนพระธรรมวินัยในสํานักของพระผู้มีพภาคเจ้าเป็นอันมากข้าแต่พระท่านผู้เจริญขอพระเถระได้โปรดเลือกท่านพระนนด้วยเถิด พระก็พากันอ้อนวนคั้นแล้วท่านพระมหากระสนจึงได้เลือกท่านพระอนุนด้วยโดยในดังกล่าวเนี่ยจึงเป็น500องค์รวมทั้งพระอนนที่พระมหากระสนเลือกโดยอนุมัติของภิกษุทั้งหลายนั่นเองลำดับนั้นภิกษุชั้นเถระก็จะบลิกกันว่า เ, ออเราควรจะทําสังขยาณาทำวิไนในที่ไหนก็ปรึกษาทัานทีแันนี่ไหมเพราะคัดเลือกออกมาได้หนึ่งห้ารรูปแล้วก็เอจะทําสังขยาณาที่ไหนลำดับนั้นเน่ย ภิกษุผู้ชั้นพระเทละก็ดํำลิว่ากรุงราชครือมีอาหารบิณฑบาตมากตรงนี้สำคัญมากว่าทําสังเวยนาต้องใช้เวลานานเสนาสนะก็เพียงพออยากกันนั้นนึ่ว่างันเราพึงอยู่จำภาสาสังขยานาพระธรรมวินัยในกรุงราชครือเถิดภิกษุเหล่าอื่นไม่พึงเข้าจำภาษาในกรุงราชครือเพราะเหตุไรพระเทระเหล่านั้นจึงมีความดํำลิดดังนี้เพราะพระเทระเหล่านั้นมีความดํำลิดตรงกันว่าการสังขยานาพระธรรมวินัยนี้เป็นถาวรกรรมของเรา บุคคลฝ่ายตรงกันข้ามบางคนจะพึงเข้าไปยังถ้ำกลางส่งแล้วลื้อฟื้นขึ้นได้จึงความเสียหายนั้นให้ภิกษุทั้งหมดเนี่ยออกจากกรุงราชฤก์ถ้าหากในระหว่างทําสังฆายนาอยู่เกิดภิกษุสองส่วนอื่นมาก็จะมาค้านแล้วก็ให้ลื้่ทาใหม่ก็ยังไม่จบเป็นใช่ไหมมาลื้่สอบถามอย่างเช่นว่าเริ่มสาทยายแต่ละสูตรไปตามลําดับแล้วมีมตัตต์ตรงกันอัดตรวจอัดตรวจพยัญชนะกันเบีดเสร็จแล้วก็โอเคจบเงี้ยนะ แล้วองอื่นมาที่หลังเฮ้ยข้าพรเจ้าไม่ได้ฟังอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วกลับไปเลือกปืนใหม่ใหม่ก็จะเป็นความยุ่งยากอยากก่างนั้นเลยคาดออกนอกกรงราชเครื่อหมดนี่เป็นอย่างนี้นี้กำลังที่ผ้ามายในยุคหลังๆอ้างเอด็ด <c oughs> ห้างเอด็ดห้างเอด็ดในการแตกแยกออกเป็นอันนี้กลุ่มเถต่อมาเป็นเถรวาทเนี่ยกลุ่มเนี้ยเถรวาทส่วนกลุ่มมหายานมารยาหลังๆมาเป็น ร้อยร้อยปีมากลุ่มหายานก็ห่างว่าเออทำครั้งแรกเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์ <c oughs> ก็เริ่มจะเป็นเลยไหะเออพระภิกษุก็มีภิกษุนี้ก็มีทํำไมไม่ได้เข้าร่วมเอาแล้วเลยนะอุบาสกบากะจากบาโสบาสิกาที่รู้ประธรรมวินัยก็ตั้งเยอะก็น่าจะมีสิทธิ์ร่วมด้วยก็คิดถูกจริจริงเนี่เนี่ยก็เป็นมูลเหตุกันก็ว่ากันไปแต่รำดับนั้นท่านพระมหาคัจจะก็ได้ประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติกรรมวาจาดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย ขอสงฆ์ยงฟังข้าพเจ้าถ้าข้อความพร้อมเพียงกระสงแล้วสงพึงสมมุติภิกษุห0าร้อยรูปนั่นเป็นผู้จำมรนสาในกรุงราชเกลืะะเพื่อสังฆายนาถวิไนภิกษุอื่นๆไม่พึงจำมรนสาในกรุงราชเกละะืดังนี้นี้เป็นยติแล้วก็บอกดูกนภิกษุทั้งหลายเอเอไม่ใช่ดูก่นผู้มีอายุทั้งหลายขอสงฆ์ยงฟังข้าพเจ้าสงสมมุติภิกษุ500รูปเหล่านี้ภิกษุ500ร้อยรูปเหล่านี้เป็นผู้อยู่จำมรนสาในกรุงราชเกลืเพื่อสังฆายนาระถวินัยภิกษุอื่นอื ไม่พึงจำมรจษาในกรุงราชคกลือดังนี้การสมมติภิกษุห้าร้ยลูปเหล่านี้ภิกษุห้าร้อยลูบนั้นเป็นผู้อยู่จำมรจสาในกรุงราชคกลือเพื่อทําสังขารนาประธรรมวินัยภิกษุอื่นไม่พึงจำมรจสาในกรุงราชคกลือชอบแล้วแกท่านผู้ใดท่านผู้นั้นเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแกท่านผู้ใดท่านผู้นั้นเป็นผู้พูดประกาศเวลาก็าสวดเนี่ยก็จะสวดสุนทรทูเมพันเตเนี่ยเอาอุโศบอกก็ว่าไปตามลําดับประกาศให้สงสาร บ, บอกว่าเนี่ยมะติของสงนะ มติบอกข้าพเจ้าขอเสนอเป็นยติหนึ่งบอกว่าให้ภิกษุเนี่ยห้ารูปนี้เท่านั้นจํำภรษาในกรุงราชคลืออันนี้เป็นยตินะนี่ประกาศแรกนะแล้วก็ประกาศประกาศอนุสัยนายสองครั้งบอกว่าท่านทั้งหลายนี่มับอกว่าข้าพเจ้าขอเสนอบอกว่าให้ภิกษุทั้ง500รูปที่ได้รับคัดเลือกนี้เท่านั้นจํำราษาในกรุงราชคลือภิกษุนอกนั้นให้ออกจากกรุงราชคลือถ้าข้าสิ่งเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าประกาศไปแล้วเนี่ยชอบแล้วท่านเห็นสมควรแล้วจงเป็นผู้นิ่งกันทั้งหมด แต่ถ้าหากว่าไม่ชอบหรือว่าท่านผู้ใดที่จะคัดแย้งต่างๆถัดแย้งต่างๆเหล่านีาาา้หรือแสดงข้อคิดเห็นใดๆก็จงพูดออกมาประกาศอย่างนี้สองครั้งเขาเรียกว่าญัติทุติกรรมวาจาก็กนิ่งเงียบกันหมดก็เป็นอันว่ามตินี่ผ่านนี่เขาเป็นไปรักษณังยีงนี้นะก็เวลาเขาประกาศเขาไม่ยัยเหมือนกันกันกบไอ้ที่ทางสภาุูแทนครับถ้าสภาุแทนนี่ถ้ามีค้านคนสองคน หรือเป็นร้อยคนถ้ามีอยู่สี่ร้อยค้านสักร้อยหสิบนี่ไม่เป็นไรถือว่าผ่านแล้วเนี่ยสองร้อยห้าสิบนี่ผ่านแล้วแต่อันนี้หม่ถ้าห้าร้อยแปลว่าเห็นชอบทั้งห้าร้อยถ้ามีค้านมือเสียงเดียวก็ต้องทําใหม่ไปปรึกษาทําความเข้าใจจนเห็นพ้องต้องกันนอันนี้คือคื อ, คอพระธรรมวินัยเอาเอาความบริสุทธิ์อย่างนี้เหล่านี้เป็นสมมุติแล้วว่าด้เป็นผู้จำพรรษาในกรุงราชคลีเพื่อทํำปฐมสังสังขายนาพระทํามวินัย ภิกษุอื่นก็ไม่พึงอยู่จำพรรษาฉะนั้นสงก็นิ่งเมื่อสงนิ่งแล้วท่านก็บอกข้าพเจ้าจะทรงจําความข้อความนี้ไว้กรรมวาจานี้ท่านพระหมหากระสปะกระทำในวันที่21หลังพุทธบาิีนิพพานเห็นไหมประกาศในครั้งนี้ทั้นประกาศก่อนนะพอพุทธเจ้าบาลีนิพพานได้21วันก็ประกาศประกาศนี่ประกาศกรรมวาจานี้ พ, พระภูกมีพระบาลินิพพานใกล้ลุ่งในวันวิสาขาุลนามีครั้งนั้นเนะี่ย พุทธบริษัทก็บูชาพระพุทธสลีระที่สีเหมือนทองเนี่ยนีด้วยของหอมและดอกไม้ตลอดเจวันแล้วก็วันสาธุกีฬาอีกเป็นเวลาเจ็ดวันเหมือนกันเป็นสิบสี่วันต่อจากนั้นก็มีไฟที่จิตการยังไม่ดับตลอด7วันพวกมรรคกษัตริย์กทูลได้ทําเป็นลูกกงหอกแล้วก็บูชาพระบรมสารีริกาธาตุเขาทำบูชาพระทายของพระเจ้าในสันธารการตลอด7วันแล้วก็รวมเป็น21วัน ก็เรียกว่ามีการมีการเอาดอกไม้ของหอมบูชาอยู่เจ็ดวันแล้วก็มีการสาธุกควิาก็เหมือนกับเหมือนลำเหมือนอะไรถวายเหมือนอะไรต่างๆเลยหรือว่ามีการแสดงอะไรต่างเป็นการบูชาพระเจ้าอเจ็ดวันมนลรคกษัตริย์บูชาพระบรมสารีริกธาตุทาลูกกงหอกบูชาเน้นสันทาคาอีกเจ็ดวันรวมเป็ น, 21, 20, นยี่สิบเอ็ดสามเจ็ดยี่บเอ็ดไง ย่งละเจ็อย่างละเจ็ดเนี่ยสามครั้งเป็นยีบเอวันพุทธบริษัทมีโทนาพามเป็นเจ้าหน้าที่ในจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายในวันขึ้นห้าค่ำเดือนเจ็ดนั่นเองพระเจ้าเนี่ยป ร, ริลิพานเดือนไหนขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเดือนหกเห็นไหมใช่ไหมจ๊ะวันวิสาขาเป็นเดือนหกนี่ประสูตรก็ก็วันนั้นใช่ไหมแล้วก็ประรลิพานตรัสรู้ป ร, ริลิพานวันเดียวกัน ท่า น, นพอวันขึ้นวันขึ้นห้าคาคือหลังนั้นยีบเอ็ดวันเนี่ยโทนาพามก็แบ่งพรวกรมสาลีลิขิตาพระมหกากัสปะก็เลือกภิกษุเสร็จแล้วจึงสวดกรรมวาจาด้วยในที่กล่าวแแจ้งความประพฤติอันสมควรนี่ก็กล่าวมูลเหตุว่ามาจากเหตุของหลวงตาสุภัาทธาเนี่แหละว่างั้นเนีซึ่งมาประชุมกันเพื่อแบ่งบ ร, รมสาลีลิกิตาธิก็ในครั้ง ก, การสวดกรรมวาจาแล้วพระเถระก็เตือนภิกษุทั้งหลายให้ทราบว่าดูก่อนท่านทั้งหลายท่านบูมีอายุบัดนี้ ข้าพเจ้าให้เวลาแก่ท่านทั้งหลายเป็นเวลาสี่สิบวันต่อจากนั้นบอกเลยนะให้เวลาสี่สิบวันท่านจะกล่าวว่าข้าพเจ้ายังไม่ยังมีกังวลเช่นนั้นอยู่ไม่ได้คือให้เวลาสี่สิบวันในการเตรียมตัวแล้วก็มามาเพราะฉะนั้นภายในสี่สิบวันนั้นท่านผู้ใ ด, ดมีความกังวลเกี่ยวกับโรภคภัยไข้เจ็บก็ดีมีความกังวลเกี่ยวกับอาจารย์อุปชาก็ดีมีความกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของมารดาบิดาก็ดีหรือต้องสมบาต ท, ทําจีวรของท่าน ก็จงตัดหรือความกังวลทํากิจนั้นให้เสร็จเสียเห็นไหมบอกเบ็ดเต็มเลยสี่สิบวันเนี่ยถ้าท่านยังป่วยอยู่ไปรักษาหายเสียใช่ไหมห้ามป่วยนะต่อจากนั้นไปเนี่ยนะหรือมีความกังวลอะไรกับอาจารย์เช่นบางท่านจะต้องไปดูแลอาจารย์ไปดูแลอุปชาไปทําอุปชัยวัดอาจารย์ิกวัดเป็นต้นเหล่าเนี้ยหรือมีความกังวลเกี่ยวกับมารดาบิดาต้องการจะไปโปรดพ่อโปรดแม่โปรดญาติพี่น้องต่าง ๆ, ๆเหล่าเนี้นะ หรือว่าไปดูแลท่านบ้างในขณะที่ท่านเจ็บป่วยเป็นต้นเหล่านี้ไปจัดแจงให้เสร็จให้เวลา40ิวันหรือท่านผู้ใดนะบาดก็ดีจีวรก็ดีเนี่ยบาดไม่ได้สมจีวรไมไ่ตัดไม่ได้เย็บไม่ทําอะไรเรียบร้อยสมัยก่อนก็มีสมบาดรมบาดเนี่ยเช่นบาดสนิมจะจับบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก็ต้องไปสมบาดไปรมบาดหรือไปจัดแต่งหรือว่าผมเอยวยัเยบเอยฟันในเป็นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะก็ กล่าวอย่างนี้แล้วพระเทละก็แวดล้อมด้วยภิกษุประมาณห0าร้อยลูปไปยังกรุงราชคฤห์แม้พระเทละผู้ใหญ่อื่นๆก็พาบริวารของตนของตนต่างเข้าประสงค์จะปลอบโยนมหาชนผู้เปรียมไปด้วยความเศร้าโศกก็ไปยังทิศทางนั้นๆฝ่ายพระปุณณะเทละมีภิกษุปเป็นบริวาร700รลูกก็ไปในเมืองกุสินาราโดยประสงค์ว่าจะปลอบโยนมหาชนที่พากันยังไปที่ปริณิพานของพระตถาคตเห็นไหมต่อกรณีแห่งการคัดเนี่ย ภิกษุแต่ละองค์เนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ที่มีบริวารของตนเองค่อนข้างมากมายเลยเนี่ยฝ่ายพระอานนท์เนี่ยท่านก็ถือบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาคแม้ปรินิพพานแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนยังยังยังไม่เสด็จดับขันที่ปรินิพพานคือเก็บบาตรพระพุทธเจ้าแล้วพระอานอนท์เนี่ยเก็บบาตรเก็บจีวรของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้นเนสมือนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพาน เดินทางไปยังกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปเจ็ดร้อยรูปที่มีพระปุณณะเป็นต้นก็นอยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่ปริณีพานของพระเจ้าเวลาพุทธบริษัทสี่เป็นต้นเหล่านี้นะมาเพื่อจะมาสักการะมาบูชาก็มาร้องโหมร้องหไห้เป็นต้นท่านก็ให้พระของท่านเองตลอดถึงท่านเองเนี่ยปลอบแสดงทำโปรดให้ทราบใช่ไหมส่วนกลุ่มท่านพระมหากรสบ พ, พร้อมด้วยบริวารห้าร้อยก็ไปกรุงราชคลึนำหน้าไปก่อน เป็นต้นเหล่าเนี่ยนะส่วนพระนรนก็พร้อมด้วยบริวารห้าร้อยอบาทอาจิวรของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปยังกรุงสา ว, วัตถีแล้วเมื่อท่านพระนรนเนี่ยกําลังเดินทางไปก็มีภิกษุผู้เป็นบริวารมากขึ้นมากขึ้นจนนับไม่ได้คือจากห้าร้อยนี่นะพอพอรู้ว่าพระนรนไปนะที่ไหนพระก็เริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหตุที่เพิ่มขึ้น <c oughs> เนี่ยเพราะ อ, อะไรเขามีความผูกพันกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ย เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นบ้านนนเห็นบ้านนนก็เห็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นเวลาพระนนไปที่ไหนเนี่ยท่านก็ตามตามเลยมากขึ้นบริวารมากขึ้นจนนับไม่ได้ก็ลองคิดดูแต่ว่าพระที่ไปชุมนุมกันในครั้งนั้นเจ็ดแสนโลกเนี่ยแล้วยังมาไม่ทันอีกตั้งเยอะนะฉะนั้นพอพระนนที่เดินทางมาเนี่ยก็ก็เพิ่มขึ้นก็มีเสียงร่ําให้เสียงร้องไห้เนี่ยอื้ออจากพุทธบริษัทนี่นะเมื่อพระเถเรซถึงกรุงสาวัตถี ผู้คนชาวกรุงเสาวรตีทราบข่าวพระนนมาแล้วก็พากันถือของหอมดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นเหล่านี้ยไปต้อนรับก็ร้องลําพันว่าข้าแต่พระนนผู้เจริญเมื่อพระนนกับพระผู้เมียเมื่อท่านเมื่อก่อนท่านท่านมากับพระผู้เมียภาคเจ้าวันนี้ท่านทิ้งพระพุทธเจ้าไปไว้แต่ที่ไหนโอตรงเนี้ยเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่มันสะเทือนใจพระนรนเนี่ยแสดงธรรมยากมากท่านเป็นพระโสดาบันฑ์ใช่ไหม พูดทำม้าก็ไม่ได้พูดไปท่านก็ร้องไห้ไปพูดไปก็ร้องไห้ไปจึงมาตถามคือพุทธบริษัทเนี่ยมีชาวพูดเป็นต้นก็ถามบอกว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยท่านมากับพระพุทธเจ้าวันเนี้ยท่านมาทิ้งพระพุทธเจ้าไว้แต่ที่ไหนจึงมาแต่พูดเดียวก็พละน า, ามีคําพูดอะไรต่างๆนานาก็พูดไปก็ร้องไห้มากในวันเสด็จดับขันธบริพารเนี่ยได้ยินมาว่าเนี่ย นักกุลงสาวัตถีนั้นท่านผ้าโนนนั้นสั่งสอนหมหาชนให้เข้าใจทำมีกถาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเหล่าเนี้ยคือจริงๆนี่ยไปใหม่ๆเนะี่ยท่านสอนไม่ได้สอนลําบากคือขนาดว่าอาหารก็แทบไม่ได้กินอะไรต่างๆเลยเนะี้ยไม่ได้ฉันนะ่นนะจนผอมจนอะไรต่างๆแล้วเข้าสู่วิหารเชตวันไหวพระคันกุดีของพระผู้มีพระเจ้าเป็นต้นเหล่าเนี้คือตรงนี้เป็นกุดีของพระพุทธเจ้าเวลาเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ย ก็เอาเตียงต่างออกมาปัดกวาดคันธกดีทิ้งขยะอยากเยื่ออะไรต่างๆเหล่านี้ยคนที่มีสติสัมปชัญญะอย่างพระอ น, นุนั้ตรงนี้พระเจ้าเคยประทับตรงนี้เคยพระคันธกดีตรงนี้เคยนั่งฉันพัฒตาหารตรงนี้เคยนั่งสแสดงธรรมเนยภาพปรากฏหมดนะนเวลามีสติระลึกได้ภาพปรากฏนั้นเนี่ยความสะเทือนใจก็มากกว่าคคลอื่นนั้นคนที่จําอะไรต่างๆนี้ได้ก็ค่อนข้างจะมีความสะเทือนใจนั้นมาก แล้วก็ของแล้วก็จะทําเหมือนว่าพระเจ้ายังมีประชชนมายุ่อยู่ด้นยกตัวอย่างเช่นพอถึงเวลาพักผ่อนพระวรกายเนียท่านพระนรนก็พูดอย่างนั้นเน่ยข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาพักอถึงเวลาลุกก็เหมือนกันก็จะบอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาแสดงธรรมเวลานี้เป็นเวลาบิณฑบาตเวลานี้เป็นเวลาในการที่จะโปรดร้ายต่างๆเหล่านี้นี แล้วก็ทําประทักศิพระคันตกดีเหมือนหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้ายังยังทรงไปชนอยู่นั้นทําไปตนเองก็สอกไว้ด้วยใช่ไหมนี่บุคคลอื่นภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนก็ดียังเป็นพระเศขาบุคคลก็ดียังล่าราคาโทรศัพท์โมหะไม่หมดตลอดถึงพุทธบริษัทเห็นบ้านนนทําอย่างนั้นโอโ้ยอยู่แทบไม่ได้แล้วนี่เป็นอย่างนั้นก็ได้ทําหน้าที่ทุกอย่างเลยนะ วัดปฏิบัติต่างๆนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าดํารงชีวิตอยู่อย่างไรเอ่ยอย่างไรก็ทําเหมือนพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่และเมื่อทําหน้าที่ไหว้พระคันตกุฎีในเวลากิจมีการกวาดมีห้องน้ํามีการตั้งน้ําเป็นต้นก็ทําไปพางก็ลําพันไปพางคือร้องไห้ไปพางข้าแต่พระผู้มีพระภาคเวลานี้เป็นเวลาส่งน้ําของพระองค์ไม่ใช่หรือเวลานี้เป็นเวลาแสดงธรรมเวลานี้เป็นเวลาประทานโอวาทเกวพิสูตทั้งหลาย เวลานี้เป็นเวลาสําเร็จศรีหาสายญาติเวลานี้เป็นเวลาชําระพระพักไม่ใช่หรือเหตุนี้เพราะพระนวล น, นั้นเป็นผู้มีความรักตั้งมั่นในพระผู้มีพระภาคและความเป็นผู้รู้อมตะรถซึ่งเป็นที่รวมพุทธคุณคือท่านพระนวลจะตึกพุทธคุณได้เยอะแยะหมดใช่ไหมเพราะจําพระธรรมคาสอนพระเจ้าได้8ปด0 0ื่ี่พันพระธรรมขันธ์ทีนี้พระจำได้มากเนี่ยตรงไหนก็ระลึกให้สังเกตดูที่ว่าคนที่ศึกษาคําสอนได้ค่อนข้างดีเนี่ย เช่นเห็นพระบรมสารีริกธาตุก็พุทธคุณก็ขึ้นมาในใจอย่างกว้างขวางแล้วเห็นพระต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยยิ่งโหเ ล, ลึกเลยไม่ที่ตรงนี้พทะเจ้าตรัสรู้อย่างไรแล้วพุทธเจ้าในอดีตก็ตรัสรู้ที่ต้นไม้ในต้นไม้นั้นก็จะเรียกว่าสีมหาโพธิ์นะเรียกต้นโพธิ์แม้ในอดีตก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้อนาคตที่จะมาตรัสรู้ในข้างหน้าก็จะเป็นไปในลักษณะนี้นี่ก็เรียกเป็นบริโภคเจดีย์เป็นเจดีย์ที่พระเจ้าทรงใช้สอยแล้วเนี่ย ก็ระลึกถึงพุทธคุณมีอิติปิโสพระกวาก็ระลึกไปในลักษณะอยังไงเวลานี้เป็นเวลาพักเวลานี้เป็นเวลาชําระพระทษพระพักเป็นต้นเหล่านี้เหตุนั้นเน่ยพันธ์พันธนเป็นผู้มีความรักตั้งมั่นในพระบรมศาสดาและด้วยความเป็นผู้ที่รู้อมตะรสอมตะรสเนี่ยคือรสของพระธรรมเนี่เหมือนมีอยู่วัดหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยวัดใหม่ออมตะรสนีอมอมตะรสคือรสอมตะ ลถของพระธรรมเนี่ยรถที่ไม่ตายรถคือหมายถึงพระนิพพานเลยนั่ น, นี่ยและเป็นที่รวมของพุทธคุณและยังไม่ได้เป็นพระอรหันด้วยและเป็นผู้ที่มีจิตอ่อนโยนที่เกิดด้วยการเคยอุปการลาเก่กันและกันมาหลายแสนชาติคือ <c oughs> บอกว่าทําไมพระอนนยังมีความรักมีความผูกพันกับพระพุทธเจ้ามากเขาบอกหลายแสนชาติที่พระอนนกับพุทธย่าวนี่ยเ <c oughs> กี่ย <c oughs> วข้องกันมาโดยฐานะเป็นพี่เป็นน้อง โดยฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาโดยฐานะเป็นอีกองหนึงเป็นกษัตริย์องหนึงเป็นอมาตะโดยฐานะแม้บางฐานะเป็นพี่เป็นน้องกันโดยฐานะเป็นพ่อเป็นลูกกันก็มีเป็นต้นเหล่านี้ยหลายแสนชาติมาคนที่เคยเกี่ยวพันกันมาขนาดนี้ใช่ไหมแล้วยิ่งมาพบสุดท้ายเบ็ดเสรเนี่ยแล้วก็ได้ดูแลได้อุปถาผู้เจ้าผู้เจ้าปรินิพานเบ็ดเสร็จแต่พระนรยังทํากิเลสให้หมดไม่ได้ ลองเทียไอ้ความผูกพันที่เป็นกุศลก็เยอะทีนี้กิเลสในใจก็ยังมีอีกยิ่งยิ่งยิ่งแรงใหญ่เลยตรงนีย้ยิ่งแรงเนี่ยันจนเทวดาทนดูโอโ้ไม่ไหวแล้ว้าปล่อยให้พระเถระเป็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมต้องเตือนแล้วต้องเตือนสติแล้วอในทํานองเทวดานี่นคงจะคิดโอ้โหมากไปแล้วในธรรมนองนออออออบอกเศร้าโศกมากไปแล้วก็คงอย่างนั้นเ่ง คนมีบุญเป็นอย่างเนี้ยมนุษย์ไม่เตือนก็เทวดาก็เตือนอย่างคนไม่ค่อยมีบุญนี่ลําบากคนเตือนบางทีเทวดาเตือนในคนในยุคนี้เทวดาเตือนนี่ไม่รู้ส่งเลยนะไม่เข้าใจเทวดาองค์หนึ่งได้ทําให้ผ้านนเนะี่ยสลดใจกับคําพูดค่าแต่ผ้านนลพูดเจริญท่านมัวลําพันอยู่อย่างนี้เออท่านมามัวลําพันอยู่อย่างเนี้ยจะปลอบโยนคนอื่นได้อย่างไรลูกน่าคิดนะนะผ้านนสลดใจคําพูดของเทวดา ก็แข็งใจดื่มยาถ่ายเจือได้น้ำน ม, มในวันที่สองคือตอนนั้นเนะ่ถ่ายก็ไม่ถ่ายสภาพร่างกายก็อ่อนละโหยโดยแรงคนที่ไม่ถ่ายเนี่ยก็เพียเนี่ยก็เพียจิตใจก็เศร้าหมองเป็นอย่างนี้นะลองร่างกายลองดูทีระบบขับถ่ายไม่ดีเนี่ยจิตใจเศร้าหมองทุกคนพ่อนนนก็สลดใจคำพูดก็แข็งใจดื่มยาเพื่อทำกายทาธาตุ ท, ทาทร่างกายให้เบา แล้วตั้งแต่ที่พระผู้มีพระาเจ้าเสด็จดับขันธปริถน์ท่านต้องยืนมากกว่านั่งมากจึงนั่งอยู่แต่ในพระวิหารบ้างอะไรบ้างเป็นต้นพระโนรินดย์ดยาถ่ายเจือด้วยน้ํานมชนิดใดท่านหมายเอายาถ่ายเจือน้ํานมชนิดนั้นก็กล่าวกับเด็กหนุ่มชื่อสุภามานพบอกว่าดูก่อนสุภาท่านนี้นะว่าวันนี้ยังไม่หมอเพราะวันนี้เราดื่มยาเนี่ยวันพรุ่งนี้จะเข้าไปพอวันที่สองพระนรินก็มีพระเจตากะเถระ ติดตามไปหาสุภาธถามปัญหาได้กล่าวสูตรที่1ิบชื่อว่าสุภาสูตรในคมพีทีขนิกายในสุภาสูตรก็แสดงอย่างในเรื่องของกรรมเป็นต้นเนี่ยท่านพระนนเถระก็ทำการปฏิสันฐานสิ่งที่ชำรุดก็บอกเอะมาพิจารณาดูโหนี่พระไม่เป็นอันทำไมทำความสะอาดให้กุฏิวิหารหรือซ่อมแซมกันเลยเนี่ยปล่อยลบร้างหมดเลยมัวแต่เศร้าโศกเสียใจใช่ไม หัวหน้าเจ้าโศกุลูกน้องพป้าเจ้าโศกไม่กวาดไม่ทำอะไรอยากเยื้อขึ้นกุดวิหารพังพระไม่อยู่เหมือนล้างหมดเลยท่านพระนนก็มาดมเหลียวอย่างนี้ต้องปฏิสังขรณสิ่งที่ชำรุดในเชตวันใกล้วันเข้าพรรษาท่านก็ต้องทำให้เสร็จใช่ไหม ที่ท่านได้รับฟังจบแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ประลัดสมทบประกโมะวัดกลางอำเภอบางปรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านผู้ฟังครับ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงตังพุทธภาษิตบททีิว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติละโปรดติดตามรลบฟังการบรรยายพรหมชาญสูตรในครั้ง ต, ต่อไปในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ख ี่พ่อต้องโควต์ชักกุศลนั้นเป็นนทาเบเมุลอนนน กบัจฉกุสะลัมอดิ न นาตานาเวรมันยุ कामेसु मिच्छाचारों खोवच्छ अ क ु स ल म कामेसु मिच्छाचारा व े र म न ी क ु स ल म มุสาวาโดโควัชกุสัลลัมสาวาดาเวรมันกุสล พิศูนाาวาจาโขบจั่งอกุศลอมพิศูนยาวาจายาเ Sah, wajah, khobar, atusalam. กุศลัมสมภพลาปาเวรมันีกุศลัมอภิถาเขาบั อันบิดช้ากุศลวียาปะโดขโหมชัอกุศลอวียปะโดกุศล खोवच्छ अकुसलम समादिक्ति ् म कुसलम इति खोवच्छ द स ध म ् म ा अ क ु स ल म ดัสดัมมาุ